จะเริ่มได้จะเป็นเวลาที่แบบม้อเก็บอารมล์คำว่าเก็บอ <Yeah. S 1> ารมณ์ก็คือเหมือนแบบ mm hmm. ให้ให้โอกาสผู้ปฏิบัติแต่ละคนปฏิบัติ mm hmm. เหมือนกับปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนใจงานอื่นๆไม่ต้องไม่ต้องช่วยเหลืองานอื่นอื่นอาทิเช่นมันเนวันระับพระเช้าต้องมีธบก็ไม่ต้องมีธบนะครับก็คือ เขาเรียกว่าให้ให้อาสาดเวลาที่มีทั้งหมดนี้ก็จะตื่นจะหนักปฏิบัติทํางไหนเลยจะเป็นในรูปแบบก็ดีจะเป็นการเดินชมรมก็ดีจะเป็นการยกมือตั้งจครหมากก็ดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเรกปีละครั้งปีละครั้งแต่ว่าหลวงพ่อเสด็จเองก็จะบอกออกว่า เวลาไหนเวลาไหนก็เป็นเวลาปฏิบัติหรือว่าก็จะบอกอย่างนี้นะฮะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าถ้าโจดยส่วนตัวของหง่อเนี่ยหลวงพ่อจะไม่เส็บอารมณ์คำว่าไม่เกจ็บอารนี้คือหมายถึงว่าหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อก็จะปฏิบัติไปเดินีันธ์มาศหลวงพ่อก็จะปฏิบัติไปร่วงหรืออนะฮะก็ทุกอย่างก็หลวงพ่อก็จะเหมือนแบบไม่แยกไม่แย่อย่างอย่างเรื่องของ การเก็บอารมณ์เนี่ยก็จะเหมือนกับเราแยกออกมาใช่ไหมครับแยกเป็นพิเศษันเลยแต่ว่าถ้นมหลือพ่อพุทธบอกวาก้อนนี้ก็ให้โอกาสให้โอกาสคนเมือนอย่างที่ไมื่อกี้หลวงพ่อให้ฟว่าที่วัดที่เป็นลุกศิษย์ที่เป็นลุกศิ์ของหลวงพ่อมาจารย์ที่ทุกวันนี้เนี่ยก็จะเก็บเหมือนอย่างว่าเก็บอะไร พี่นันจะเน้นแบบว่าหนึี่บอกไม่ไม่ต้องยุ่งในกิจกรรมเองแม่นคับพัตติบอรดที่จะาทำมันอนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับให้โอกาสเป็นพิเศษแต่หลวงพ่อหลวงพ่อก็เเลียนจะพูดถึงหน้าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสยกมือทั้งจังหวะเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเดินจงกรมเป็นเรื่องเป็นราวหลวงพ่อจะบอกว่านั่นคืออดีเลกาล่าอดีเลกาล่าหมายถึงว่าเป็นเป็นกรณีพิเศษเปกรณีพิเศษ ก็ตัวนี้ก็หลวงพ่อก็จะเน้นว่าเราก็จะมองเห็นว่าโดยส่วนไม่เรียกว่าโดยส่วนตัวของหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็าะเรียกว่าอไม่จริงกนปฏิบัติอย่างเวลาที่นั่งรถจากกรุงเทพเข้าวางจากวัดมักรุงเทพ ตลอดระยะประมาณ1ชั่วโมงมันค่จะไม่เคยหนักนะ่เคยหนักรือว่ารจะนั่งนะฮะนั่งแกล้เหมือนกชมชมต้นไม้เรื่อยๆแต่ว่าหรือว่าเจะมีมือไม้ที่ว่าก็มือทีมือหรือว่าก็จะผิอย่างี้คืออาศัยทำขึ้นใหม่คืออาศัยทำขึ้นไหม คือเรา เ, เราสังเกตเห็นแล้วว่าถ้าเกิดเมื่ไหนที่เราอาจจะลองมิดนิดย้อนย้อนดูด้วยนะถ้าเม่อไหรนที่า น, น, น้าเมืนน่อไ่เราจะยายปล่อยอารมณ์ใช่ไหมครับจเรียกว่าหล่อใจไปหลังด้วยทางอะไรนะไมณ์เป็นเยอะแยะอหนึ่งเป็นเรื่องานะตรงนั้นนะครจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าการที่เราอ่าสต่ากันขยับตัวเป็นการที่เราจะมีสติกลับมาอยู่กับมีใจกลับมาอยู่กับเรื่องต่าตัว คือกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นตัวเนี้ยก็จะเป็นเรื่องเป็นเรสคญจะเห็นจะเห็นเรื่องเนี้ยก็อยู่กับหลวงพ่อมาก้ามต่างก็จะเห็นหลวงพออในตลาดก็ก็ถือว่าเป็นเป็นปกติหลวงพ่อจะพูดอยู่ทำหลวงพ่อจะไม่อ่าเขารียกว่าไม่ออนสุขกับการนอน หรือว่าจะบอกอย่างนี้นะให้คสุข ก, กับการนอนก็บางทีเราจะเหมือนกับหาสุขจากการกินหาสุขจากการนอนหาสุขจากการเที่ยวเหน่เดี๋ยวหาสุขจากการดูห น, นถ้าเมื่อไหร่เราหาเนี่ยแล้วไม่เจอเนนะี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเป็นทุกข์สุขไม่ทั้นอย่าง น, <c oughs> นีนะ้แต่ถ้าเราไม่หานะเานี่ยเราก็ไม่ทุกข์สุขไม่ทั้งอย่างนะี้นั่นคือตรงนี้ทนะี้ว่า หลวาพก็ไม่ใช่ว่าสงแค่ไม่หาดุขจากการนอนะแต่ว่ากับทุกทุกอย่างก็ไม่ ไ, ม ไ, ด ไ, มได้แสลหาความสุกมันไม่แสลหาความสุนนสกเพนก็ไม่มีพที่จะมาวุานดนวากับชีิตอนนี้นคือตรงนี้นถ้าเกิดเร า, เราลองดูชีวิตข อ, ของพวกเราล้วแสงหาความสุกตรงนี้ห่า่งนี้ถึงเรื่องาหารใ น, นทางกรเทศแสงหาความสุขจะการบริโภคมากมากเคื่อนย้ายเลย แล้วพอเราทช้คำว่าแสวงหาสุขจากการบริโภคเีราก็บริโภคหลายๆอย่างเป็นความสุขหดเลยงนั้นการดูนู่นดูนี่อ่านหนัืออะรต่างฟังเพลงเราเพื่อหาความสุขแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แสวงหาความสุขเเราก็จะพกมากมากเลยนี้คือสิ่งนี้ให้เราลองลองดูว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดูหนังฟเพลงเนี่ราสงหาความสุขหรืปล่า ดูก็ได้ไม่เป็นไรแต่มาเป็นเราเสื่อมความสุขเืองขอหนมหงังอความสุขรงั้นไม่้ตรงเนี้นะฮะการที่เป็นสิ่งที่เหมือนกันเรามีสติที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างมันดีมาก็อตัวนี้น่าจะมาเอไม่ห้ามตรงเนี้ยก็เรานั่งเล่าไหลนั่งเล่าว่ายืนจะไมฮะอิริยาบถยืนอาจจะร่างกายมัน อาจจะยืนมานการนั่งก็จะเป็นการเปลี่ยนที่มยูไม่ใช่หวังจะให้งให้มีความสุขหรืออะไรยังไงต่างๆกละนั่นก็คือตรงนี้เราเวลาที่พวกเราอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับชีวิตประจำวันเราลองดูเราลองดูภาพรวมๆขงบางอย่างว่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆกันนั้นถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องรานประจำเลยก็ถอนตัวเองลงมาก่อน คือสมถอร์เตเองออกมาก็ไม่ได้ละ ไ, ไม่ทำอนะำไรแบบนั้นแบบหนึนงใช่ไหมครับเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนจาการที่หวังความสุขนะนนะ mm hmm. หลวงพ่อเขาเปลี่ยนจปนมีทำที่บอกว่าทุกวันนี้ mm hmm. หลวงพ่อสนใจแต่เรื่องที่ทำยังไงตึ่จะไม่พุ่ทํายังไงดีจะไม่พุ่ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เรามองเห็น แม้แต่หลวงพ่อก็ทำแบบนี้ตลอเมื่อวันที่ต่องจะนาสอนเมื่อวันที่ไปไปพักที่มุนิจิเราปรากฏว่าที่มุนิจิเป็นอย่างก็เรียกว่าน้าท่วมอาการอาการที่มันมีความเสียหายจากน้ำท่วมด้วนอย่างไรไม่ไม่หมดดีเรื่องนาำ เรื่องน้ําก็เป็นเรื่องที่เครื่องสุกน้ำเสียจากการจากการแช่น้ําก็ทําให้ไม่คาดว่าการใช้น้านาํ า, ก, า, าก็ไม่เกิดก็หลวมพ่อก็จ ะ, กะเกิดสมแมในการใช้น้าํา <c oughs> <c oughs> ท่า น, นหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไปปีหนึ่งน้ําก็ที่หลังแล้วก็มีพักที่ เหมือนกับไม้ใครว่าที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามสี่ลูกอยู่ในห้องมีน้าอยู่หน่อยเลยเออเราจะต้องท่านอาบน้าเั้นห้องน้าเราจะทายังไงดีอะอย่างเงียนะฮะหรือว่าลูกบอกว่าหลวออาบน้าตัดแก้แก้น้ำตัดแก้หรือว่าหว่าแก้ที่หนึ่งแล้วไปค่อยลดใช่ไหมฮะค่อยลดหัวค่อยลดไหล ค่อยๆรอนไม่ใหเป็นกร็ตายไปที่ไหนเลยแล้วองนั้นอกเราก็ทำได้นะจะพอร้อนเร็จก็ค่อยๆแบบว่าใช้สบู่แล้วกแบบแชที่เือรืองนั้ก็ก็ค่ย่าเราต้อกรส้นะน้ตับแช อย่างเงี้ยฮะหนึ่งเราทุกอย่างที่เราถ้าเราเป็นเป็นพวกเราใช่ไหมฮเราเจออยู่นี้พวกเราจะต้องแบบอาจจะมีบุญบุญยินยินอะไรเยอะนะฮะแต่เฉพาะนอกจากไม่ไม่ไม่มีบุญยินจะเรื่องที้นั้นก็คือแค่แค่ว่าปรับตัวไปมีอะไรยังไงต่างๆก็ปรับตัวไปตามมีครั้งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือ หูวง้่อไปเดินทำร่ราตาทำาตาที่วัดจักรันจะเป็นต้นต้นเดินขั้นมาเดินทำร่าตาก็จะบางทีวันนั้นก็แดดร้อนช่วงเช้าแดดร้อนเหนือโต๊ดนนู้นต้นแตปีประมาณน่าจะอยู่ที่ปีสี่หกสอพัน้าอสี่นอพักกางวันชันชัน เ, เ่นเสร็จปุ๊บ หลวงพ่อก็ถอดกระบงสักเราก็มองเห็นว่าาหลงพ่อก็ไม่ได้มีอ ะ, อะไรติดตัวมากไปกว่าเขาเรียกว่ายา่ามใบหลวงพ่าก็ถอดกระบงซักในขณะที่ถอดกระบงหล้งพ่แล้วก็มีกีบอมมาทีวิตสายเดียวกันก็ดูไม่โป๊อะไรหลวงพ่อก็ถอดกระบองซักแต่หลังจากตัดไปที่ยอดยา่ากยามสูงๆมันก็เอา เราผ่าจะไม่ได้ตาดระดูกตัดตรงยะยากตะตัดความแน่เสร็จก็ไม่ตัดลากันคืนนะเราบ้างกเอาป่าปาเอาป่าปามาอับเป็นหม อ, อนป่นาป่าวิทยาสูงรใป่าป่ามาลองเป็นหมอนเอาผ้า อ, อับน้าปูเป็นปูเป็นอะไเป็นผ้าปูที่นอ แล้วก็สุมโปร่งสุ่มโปร่งกันอยู่บางีมีอยู่บ้างเย้บ้างที่เนีงยก็แล้วหลวงพ่อจะอยู่ง่ายง่ายอยู่ง่่ายังไงก็ด้หลวงพ่อยเล่าให้่ังว่าครั้งหนึ่งไปไม่แน่ใจว่าไปที่ษณุหรือเปล่าแต่ว่า หลวงพ่อก็เป็นปักตรดนะครอยู่ใต้ใต้ต้นไม้หลวพ่อเล่าก็เวลาปักตรดหลพ่ก็จะดูพื้นที่พอสมควรดูพื้นที่อัทีเช่นพื้นที่พอสมควรหมายถึงว่าตรง น, นั้นจะไม่มีมดไม่มีแมลงควรทาให้เราได้ได้พักกระลับคื่ออย่างนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมือนกับถ้าถ้าเกิดมีน้ำไหลน้ลําแรงจัดเนาะก็จะเหมือนกับพอาคน เขาอว่าเันมันแดดแล้วฝนมันตกหนัปรากฏว่าไอ้ที่ตัดส่วนผิวไม่ทนไม่ทนนานก็ปากฏว่าน้องพ่อบอกเออมันไม่ทนนานฝนมันตกหนักน้องเว่าเอวันนี้นอกเป็นกบโดนซึมลังจะเป็นไรเป็นกบโดนสึหถึงว่านอนใส่เส้ทัไหลไปอย่างนั้นแหละ แล้วแบลองเป็นกบดูสักครั้แล้วก็แบบอ๋อดับสบายนะอส่นี้มีอยู่อีกครั้งหนึ่งผมพ่อก็คือลงลงไปคือลงลงไปเพื่อที่จะไปเข้าพรรษาที่พระธาตุข่าก็ปรากฏว่าไปถึงวัดวัดหนึ่งก็เป็นวัดที่ที่ อยู่ทาเขาเปจัวคุณพ่อจบอกบอกว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยทางท่านจะบอกว่าไม่มีุ๋ไม่มีกุ๋ยใ่พทมีสระอยู่อ่างอยู่ริมทะเลให้ไปทากตรงนั้นคุณพ่อบอกคุณพ่มไปก็โอ๊ยสระนั้นมีหมาลูกหกเจ็ตัวเื่อปรากฏว่าพอไปถึงหมามันก็หมาขี้เรือนด้วยคุก็บอกว่ามันก็ ม, ก ม, กมกีคาบเลือดคอาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อยู่ที่สรา เราบอกเราก็อเอาน้าทะเลมาทาหูนะฮะใช่ไหมฮอย่าเงี้ยแบบว่ามันก็ไม่กดไม่หมดนนมปีเศษนะนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็การกดใช่ไหมฮะการกดอยู่ปรากฏว่าพอการกดอยู่นลดลด่ยกดกดพ้าก็จะคุมที่ได้ประมาณเม็ดคุณสองเม็ดนี่ครประมาณนั้นนะปรากฏว่าพอกลางคือใช่ไหมมันเป็นที่นอนของหมามานี่ก็จะนอน หรือว่าคือแม้เราอยู่ในกรดเนี่ยมมจ ะ, มมะหมามันก็มากระแตะมุมกรดนะฮะหรือว่าก็บอกว่าอ๋อเฮี้นเลือดไหลที่ที่มันกัดหมามันก็มันกัดเราเนาะหรือว่าแบบอันนี้เป็นหมาดูสักทางจะได้หรือว่าแบบว่าจะหลับสบายนะอะไรเงี้ย แต่ว่าฝัดถึงค้างขึ้นมาหรือว่ามันก็ต้องตัดสกีบอร์ดตัดตัดมุมกลมตัดอกันเป็นขนาดใหญ่เป็นหมาขึ้นเรือนนะฮะแต่หลวพ่อขาอกหลวงพ่อม่อยู่ที่นี่ถึงเจ็บาทแลวหลวพ่อก็บอกว่าหลวพ่อต้ใช้ตลาดนะคมนักอยู่ที่เจ็ดบาทหลวพ่อบอกว่าจริงๆก็ พอหลวงพ่ออยู่ที่นั่นได้สองสัปดาห์นะท้าท่านก็บอกบอกว่ามีกุฏอยากให้หลวงพ่อยา้ายไปอยู่กุฏแล้วก็ยังชวนหลวงพ่อเห็นได้ให้อยู่ด้วยกันที่ที่วัด น, นั้นก็หลวงพ่อบอกว่าสิ่งที่ท้าท่านเห็นก็คือเหมือนกับคล้ายๆวัดปฏิบัติวัดปฏิบัติหลวงพ่อจะใช้คําว่าสังฆเทศนะ์คือเทศของสงฆ์เนี่ยนะ เหมือนกับเชื่อใจว่าเราเป็นนักบวชเนี่ยอย่าให้ปกต้องสมาธิสมรรถนงก็คือทํากิจวัตรต่างๆนานาที่ให้มันดูว่าตัวหรุ่มบ้าบอกกล้าทคงเห็นเราบิณฑบาตเราขบฉันต่างๆนานาอย่างนี้ดูดูไม่ละเทอะดูดีเนี่ยแลวหน่มบ้าบอกว่าที่สำคัญก็คือเวลาที่บิณฑมาตได้ประจานุพ้อ็ก็จะมอบให้วัด ธรรมนัติสมองให้หลวเก็บไ้ให้องบอนไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ในผู้ดองเหมือนี้ก็มีอาหารอยู่ทุกวันลาท่หลวงพ่อสมอกว่าท่านคงจะเห็นตรงนี้ท่านจะเชื่อแล้วท่านพอตอนหลังที่ลาไปท่านจะบอกว่าเวลาได้ไหมก็เวลาที่ไปผู้ดองก็เหมือนกันนะัไปแม้จะเป็นที่รับลี้ที่หมู่บ้านที่ห่างกลเนย เราก็ได้เห็นอันนี้สองอันหนึ่งก็คือศาสนาพุทธที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ในใจของผู้คนเวลาที่เขาเห็นพักเดินขึ้นบาปผ่านนะครไม่ลังเลยนะไม่ลังเลยแต่จะใส่เราจะเป็นภาพแปลกหน้าแม้ไม่เคยเห็นเราแล้วก็รู้เราก็วันพรุ่งนี้เราก็จากไปอะไรเงี้ยนะครอยู่เป็นแค่ข้างคนยเราก็จาก ใส่อาหารใส่ในงตัดนานๆหลาี้ันเยอะในขบวนที่ไปมีไม่ฉี่ไม่ฉีก็มีทาบากเลยนะแลก็เขาต้องใส่ใี้เยอะอาหารที่เรียกว่าประจําวันหรว่พอหลังจากหลังจากฉันเสร็จเรีย บ, บ, บร้อยก็ต้องรวบรวมมาไว้แบบเดินไปเจอโรงเรียนก็เอาให้โรงเรียนต่อบตัดนาอาหารจ็ต้อใส่ให้เยอะมากเลย ก็ชาวบ้านที่อยู่ไกลๆก็จะยางไงเขาเรียกว่าคืออาหารที่ใส่บาตเนะี่ยเราจะได้เห็นหนึ่งข้าเหนียวตลอดนะครับ จ, จากเขาเรียกว่าจากชยภูมินะครับไปจอดรู้นเหมือนจีเชียงใหม่หนอง้ายข้าเหนียวอย่างนี้นะไม่ชีคนหนึ่งบอกวาอาอยู่ที่ว้านเนี่ย ข้เดี๋ยวเนี่ยไม่เคยมองเลยนะมาที่นแล้วว่าเห็นชาวบ้านเทำแต่ว่าใส่ข้าเหียวให้เราเนี่ยโอ้ยเราเนี่จะน้ำตาไหลไม่ได้ถ้าวที่มันอร่อยก็ต้องเจอเมือที่ไม่ดีก็บอก่อกว่าทุกวันเกือบเดือนบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าแตนิชัยไม่ที่จะไม่ลังเกียจข้าเหนียวแล้ว่ะจะ แร่ว่าที่จะใส่ใส่ก็ท่านรวมเกันข้าเหลียววันหนึ่งที่ต้องใส่เขาจะใส่ไม่มากอย่างบางหมู่บ้านเนต้องจะมีคนใส่ประมาสามสิบคนบางทีหกสิบคนบางหมู่บ้านเป็นร้อยคนใส่ข้าเหนียวคนละท่านคนละท่านก็นนนไม่ตงโอ้โหเยอะเยอะมากเต็มากคณะไปทั้งหมดประมาณสิบสามคนสิบสี่คน ก็อ่านก็เก่งพอมีอยู่วันง ม, มีอยู่วันหนึ่งเราพิเศษเป็นกรณีพิเศ ษ, เเเศษออกมาบินธารเรียบร้อยแล้วก็เดินต่อไเลยไปหาที่ฉันข้างหน้า <c oughs> ไม่ได้กลับบัตรฉันกปกติวันนั้นก็เดินผ่านเดินทางตลาดพอดีบอกบอกชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์กเนี่ย บอกวาช่วยนานแล้วทีเราไม่รู้ว่าทางบินสบายเป็ น, นยังไงบอกช่วยนานแล้วทีเขาก็นานแล้วปรากฏว่าผ่านตลาดแล้วก็ต้องหยุดบินธาบาัตแล้รว่าคนใส่เยอะมากเลยเราเดินผ่านตลาดาราาประมาณระยะประมาณแค่30เมตรปรากฏ ว, ว่า มีคนใส่เยอะเยอะเยอะจึง huh. ทั้งเราต้องพิจารณาว่าต้องหยุดละเพราะว่าคืองดละบากนะฮะงดละปากการงดละบากก็คือเอาเอาจีวอรถุงปากไม่ไม่ไม่เอาบากงดละปากปรากฏว่าอาหารที่เยอะๆวันนั้นนะฮะมีกับข้าวถุงนึงครับนั้นข้าวเสร็จแลวนั้นเป็นขนมหมดเลย ต้นคือตลาดเก็อาจจะเป็นความสะดวกใช่ไม้มฮะก็เหมือนกับว่าต่างจังหวัดอาจจะอาหารอาหารสำเร็จรูปอาจจะได้ได้อย่างเนี้ย จ, จะมีพวกขนมพวกโอ้โหเราเรียว่าวันนั้นเป็นวันที่ ท, ที่ฉันท่ากับขนมเนะี่ยแล้วก็เราดูขนมที่ต่างๆน า, า, า, านาชนิดเนี่ยมีอยู่สิบเอ็ดอย่างแต่ขนมที่เป็นทอ หรือเป็นขนมที่เป <talk ing> ็นขนมที <c oughs> ่ทําใหม่ๆเป็นผองห่อของสติกบ้างหอะไร่ด้ขอที่ทำสาเร็จที่ที่ก็ทําทำเงินได้ก็ดีก็ดีไปผู้ดองก็ได้เห็นได้เห็นได้เห็นอืผู้คนเขาก็ศรัทธาในศาสนาพุทธครูบาอาจารย์ก็ได้ทําให้ชาวบ้าน พือตรวแผนถึงล่างเราเองเราก็พอเราได้คลองกีบอนได้เดินไปดินถานก็เขาไม่ได้ใส่ให้เราอะแต่ว่าเขาใส่ให้สะพานมาจนเราสะานยักโยงต่างกันไปหดก็ตีว่นหน่นนอย่างยี้ช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ระหวางทางเดินเนี่ ระหว่างประมาณประมาณเนี้ยถ้าเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะถวายน้ำบางทีเราก็แต่เรียกว่าจำห่ายออกไม่ทันคือคล้ายๆวเขาจะเห็นขระมาใช่ไหมฮะนี่เขาก็จะเหมือนกับคล้ายๆว่าจะถวายน้ําเห็นอีกจ้าตึงลอยอยู่ใช่ไหมก็ถวายน้ําน้ําขวดหนึง ก็ห <G ül ets> นะ้าร้อยหกร้อยสี่สี่ที่น่างก็สบายมากนะิ้วคลืนค่นเนี้เป็นทุกขลาบมากแต่ก็เรก็ไ ม, ไม่ไม่ได้นัอะไรมากเพราะว่าเราก็เล็งๆอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเจอเด็กข้างทางเจออะไรแบบ น, นันอะไนี้เราก็จะเอามองเพื่อนมีอยู่บ้านเลย ใจหนักเป็นสามสามครอบตัวรวมส้ำหนักของที่ใส่ที่เรารับไปเนี่ยห <c oughs> นึ่งจุดแปดกิโลมีฟางกระสอบมีกระดิ่งแดงมีน้ำขวดมีน้ำหวานมีโอ้เยอะแยะหมดเลยนะ <c oughs> แต่ก็ตั้งใจใส่แล้วตั้งใจ แต่แล้วนิส um like ิตก็โหใหญ่ยิ่เใหญ่ินงใหญ่ยิ่งก็เดินไปตรงนั้นไงตรงนั้นจะเป็นช่วงเลยจะไมานี่หมักเต้นทางจะถือถ้าส่วนใหญ่เราก็จะเดินจะเดินถีค่อนข้างเป็นห้อมุงแต่ว่าเลยจะไม่ถี่หมักเต้งไปประมาณช่วงสองามกิโล ก็จะมีบ้านที่อยู่ตามเขาเขามันเป็นถนนที่ค่อนข้างต่ำคข้าะเห็นยาวแก่ก็อย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราแปลกๆแล้วก็เหมือนกนะันแล้วอาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะก็มีอีกเรื่อติดตามหนึ่งก็คืออันนี้ชาวบ้านจะบอกกันนะได้เห็นภาพทูดงเขาจะเขาหัวมีรถมีรถมีรถที่ หลายคันนฮที่จอดนะะและ้วจะมีมนตรางขึ้นบอกว่าจะไปไหนเอ่อจะไปส่งพนะไรอะเ้วก็ตอบว่าพวกเราตั้งใจจะเดินผู้ดงกัรอะไรเงี้ยนะแต่ก็มีรถคันหนึ่งก็มาจอดร้างถตนันไม่ถือ <c oughs> เป็นปรถอะไรสนกดีฮนะอนุกดีแต่ว่าแต่ว่ารนนี้ก็ ก็จะมีจะมีหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีคนมาถามว่าคือสันดีไหมอะไรเงี้ยนะบติทีก็ไม่ไม่ไม่ถามเราเมื่อคืน เ, ออเป็นอะไรยังไงในฝันนานก็ถามสันดีหรือเปล่ามีอะไรไหมแต่ก็แต่ก็เราก็ผ่อนลุงกันส่วนใหญ่เหมือนกับถ้าเราอ่านจากอะไรเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยนะเขาก็จะนับถึงมาเหมือนกับ พอพระผู้ดองมาปักกฎเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่จริงๆก็เหย่านเป็นครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวอย่างหลวงปู่เทพอย่างไรเงี้ยครับที่เป็นครูบาอาจารย์ดังๆสายลุมคงนะก็จะแบบนี้นะพอมาปักกฎใช่ไนมฮะอยู่หลายวันชาวบ้านตะขากรี่มก็มอยูนะ่ส่วนใหญ่ก็จะอย่างนี้ครับและนี่คือก็ความที่เรามีครูบาอาจารย์ดีๆนะ นั่นนั่นคืออันที่สงก็มาถึงพวกเราอย่างนี้นอย่างนี้นอย่างวัดอย่างวัดที่เราเลือกเป็นพักส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเลือกเป็นพักวัดต่าจะไม่จะไม่เลือกพักวัดที่อยู่ในอยู่บ้านใช่ไหมนะครัเราก็อยากจะเหมือนกัน อยาจะไปสัมผัสบรรยากาศปาเขาจะมีที่บนเส้นทางประมาณเดือนนดียจะได้พักวัดบ้างดีๆทั้งสองสองครั้งนี่นอกอากันนี้จะเป็นวับป่าก็วัดหนึ่งจะมีพระรูปหนึ่งสองรูปจะมีเฉพาะหินบางเป้งที่มีพระอยู่สิบหกลูกเยอะนอกจากันนั้นก็จะมีวัดเล็กๆก็ไม่ใช่วัดเล็กก็วัดใหญ่ละไม่ใช่วัดเล็ก จะพรไม่มาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือท่านจะดูแลพื้นที่เอาไว้เหมือนกับพท้อมที่จะใช้มานาทางสถานที่อะไนี้เป็นระเบียบเียบร้อยเราก็มองภาพตัวนี้ก็าดูแล้วก็มีสัาผัสแล้วก็สิบทางพวกเราเป็นอาถุกั์เข้าไปก็ได้รับสิที่น้ำท่าจานอาหารก็สะดวก ก็ถือ sí. ว่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เหมืนแบบมีพระูบาอาจารย์ทำให้ดูพวกเราเป็นคนรุ่นหลังนะครับมาแล้วก็ได้เห็นแบบอย่างตรงนี้สรัทาที่ชาวบ้านมีก็เป็นศรัทธาที่ใช้ก่อตัวที่แล้วที่มาให้พวกเราก็ได้รับส่งแต่งนอนกันว่าหลวงพ่อมันเก่งจะบอกนะบอกว่า อย่างเวลาเราได้อนุสงจากชาวบา้านชาวบ้านเขาบินทบาทเราได้เลือดได้เนื้อเนี่ยอย่าทรายศชาวบ้านนะกล่าว <c oughs> ว่าทรายศชาวบ้านนั่นคือผมกับอกว่าเราได้เลือดเนื้อได้เลีอยแรงเนี่ยเราจะต้องเอามาทําคุณงานความดีกันการทำคุณ ง, งานความดีก็ไม่ต้องทาําอะไรเพื่อเราจะตั้งหน้าปฏิบัติธรรมนี่แหละคือเราจะจิบผาากันเดินเดิน สงกรมอย่างนี <c ười> để để để ้ฮะแสดงว่าเราหรนไปซึ่งมันตางไป